เปลี่ยนชื่อแล้วมีผลอย่างไรถามชื่อและนามสกุลของคนเราถ้าเปลี่ยนแล้วจะทําให้ชะตาดีขึ้นหรือเลวลงจริงหรือไม่ครับตอบแบบฟันธงสั้นๆเลยคือจริงครับผมเชื่อว่าชื่อคนมีอิทธิพลกับความรู้สึกนึกคิดของเจ้าตัวเชื่อว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลกระทบกับชีวิตโดยรวม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหากการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลไม่เป็นเรื่องจริงหรือไม่มีมูลหรือไม่ช่วยให้อะไรอะไรดีขึ้นวิชานามมงคลคงไม่แพร่หลายและคงไม่มีการประกอบอาชีพทางนี้กันมากแต่ศรัทธาและความเชื่อดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นไปในธรรนองเดียวกับที่เชื่อว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีอิทธิพลกับชีวิตคุณจริงๆ เช่นถ้าจัดห้องเสื้อใหม่ความรู้สึกของคุณจะแตกต่างไปวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตในห้องนั้นจะไม่เหมือนเดิมอารมณ์ในขณะพักผ่อนหรือทำงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับคุณอย่างใกล้ชิดหรือกระทั่งชี้ตรงมาแสดงความเป็นคุณล้วนมีบทบาทมีอิทธิพลเล็กใหญ่กับคุณเสมอ พวกที่ฝักไฝเรื่องเคล็ดลางจะไม่ละเลยแม้กระทั่งการก้าวเท้าใดออกจากตัวบ้านก่อนด้วยซ้ําสรุปคือชีวิตคุณทั้งชีวิตไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็ต้องมีผลกระทบในทางใดทางหนึ่งอย่างแน่นอนและคุณจะเห็นผลต่างอย่างรวดเร็วเสียด้วยถ้าเปลี่ยนสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นคุณแบบตรงตๆชื่อและนามสกุลนั้น มองเผินๆเป็นเพียงสั ญ, ญลักษ์ใช้บ่งบอกว่าใครเป็นใครจะให้เรียกว่าอย่างไรแต่ในทางลึกแล้วชื่อของคนคนหนึ่งมีความสัมพันธ์กับลักษณะจิตใจเริกเกิดเลิกดำรงอยู่และเริกแห่งการตายไม่มากก็น้อยเมื่อเราสำคัญว่าตนเองมีนามเช่นไรนามดังกล่าวจะก่อให้เกิดพบแห่งความเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอย่างหนักแน่น เหมือนคลื่นรบกวนหรือเครื่องจันลองใจที่อยู่ติดตัวแต่ละคนจึงไม่น่าฉงนหากมีตำราที่แค่รู้ชื่อก็สามารถถ่ายทักได้ถูกว่าชีวิตที่ผ่านมาวนเวียนอยู่กับสภาพเช่นไรบ้างอย่างไรก็ตามนามของแต่ละคนเป็นปัจจัยหนุนไม่ใช่ปัจจัยนำหมายความว่าชีวิตคุณจะดีขึ้น หรือเลวลงในระยะยาวนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับนามเป็นหลักแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทาเป็นอาจินตางหาดที่ใช่การเปลี่ยนชื่ออาจทาให้อะไรอะไรดีขึ้นได้แบบวูบวาบและกลับตกต่าลงด้วยปัจจัยอื่นที่แรงกว่ามีผลยืดเยื้อยาวนานกว่ากันแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ที่ดีขึ้นอย่างทาวรจะปรับสภาพชีวิตคุณให้ดีขึ้น แม้ทีละน้อยแต่ก็มั่นคงยั่งยืนกระทั่งโด่งถึงที่สุดแห่งความรุ่งเรืองได้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณเป็นนักพูดซึ่งต้องไปพูดต่อหน้าชุมชนจำนวนมากเป็นประจำหากเปลี่ยนเสื้อแสงสมัยภาพจะดูดีขึ้นหรือเลวลงทันทีเสื้อผ้าจึงเป็นส่วนสร้างความรู้สึกมั่นใจ หรืออย่างน้อยก็เป็นปัจจัยให้ความรู้สึกเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงออกมาจากภายในพูดง่ายๆว่าการแต่งกายมีผลกระทบทั้งต่อความรู้สึกของคนอื่นและภาวะจิตใจคุณเองแต่หากคุณปรับเปลี่ยนวิธีพูดมีอารมณ์ขันมีลูกล่อลูกชนมีการตั้งใจให้คุณแก่คนฟังผลจะแรงกว่าเปลี่ยนสไตล์แต่งตัวมาก คือหากพูดดีฟังง่ายฟังมันแถมสื่อสารอันเป็นประโยชน์ให้คนเข้าใจชัดเจนทุกท้อยกระทงความคนจะหันมาฟังคำพูดของคุณมากกว่าดูการแต่งกายของคุณต่อให้คุณแต่งตัวมอซอดูไม่ค่อยเข้าท่าในที่สุดก็อาจกลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่เกิดนักพูดฝีปากเอกในคราบสำเมาขึ้นในวงการไปนี่ก็ทานองเดียวกัน สมมุติว่าคุณชื่อนายเหม็นซึ่งเป็นชื่อโบราณไม่มีใครตั้งกันแล้วแต่ถ้าคุณตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์คำพูดมีแต่สนรเสริญคนไม่ติฉินนินทาใครอีกทั้งทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างในที่สุดชื่อของนายเหม็นผู้มีความประพฤติหอมหวนทวนลมจะฟุงฟ้งเฟื่องกระจรกระจายกว้างไกลกลายเป็นเอกลักษณ์ใหม่เป็นของแปลกดีไปเอีก คนไม่ค่อยเข้าใจความจริงข้างต้นนี้ไปมองว่านามเป็นปัจจัยนำเลยฝากความหวังกันไวผ้ผิดๆนึกว่าเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลปุ๊บจะเกิดภูเขาทองขึ้นที่หลังบ้านทันทีความเชื่อผิดๆนี้จึงก่อให้เกิดการแนะนำผิดๆและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผิดๆมากกว่าจะถูกต้องตำราตั้งชื่อนั้นมีหลายเจ้าคนทั่วไป ไม่มีวันทราบได้เลยว่านักตั้งชื่อมีหลักการน่าเชื่อถือแท้จริงลึกซึ้งแค่ไหนมีผลงานการตั้งชื่อใหม่ให้เกิดมงคลหรืออัปมงคลกับใครมาแล้วบ้างตามประสบการณ์ที่เคยพบมาผมเคยเห็นคนเปลี่ยนชื่อแล้วจิตบิดเบี้ยวไปจากเดิมคือความคิดความอ่านผิดเพี้ยนไม่เป็นตัวของตัวเอง แถมชื่อใหม่เป็นเสมือนแรงดึงดูดเรื่องยุ่งยุ่งสารพัดชนิดเข้ามาสู่ชีวิตตนด้วยซ้ำครับที่สุดของที่สุดคือถ้ากรรมดีด้วยนามดีด้วยก็จะเกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมไม่ต่อต้านเรื่องการตั้งชื่อใหม่แต่อยากให้เข้าใจอย่างสมบูรณ์ครบวงจรครับว่าชื่อไม่ใช่ปัจจัยนากรรมทางความคิด การพูดและการกระทำต่างหากที่ใช่ถ้าแค่ชักชวนกันสำรวจกรรมของแต่ละคนถามเอาจากคนใกล้ตัวไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนถามเขาว่าคุณมีกรรมอันเป็นตำหนิยอย่างไรบ้างพูดตรงไหนเป็นกาลกินีรับทราบแล้วน้อมนำมาปรับเปลี่ยนเสื้อใหม่ให้มีดีขึ้นพูดตรงไหนเป็นสิริมงคล รับทราบแล้วน้อมมาพัฒนาให้ประเสริฐยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเท่านี้คุณก็ได้ชื่อว่าสร้างกรรมที่เป็นมงคลกับชื่อตนเองไม่ใช่พยายามเอาชื่อใหม่ดีๆมาสวมทับกรรมไม่ดีประดุดคนซื้อเสื้อขาวมาใส่ทั้งที่ยังไม่ชำระล้างสะสางกายครับ